สิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของพวกเรามากยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คืออะไรสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของพวกเราทั้งในทางบวกคือทางความสุขความเจริญ และทางลบคือทางความทุกข์และความเสื่อมเสียนั่นก็คือการกระทาของพวกเราเองการกระทานี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทาทำได้สามทางด้วยกันทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรม ทำทางวาจา ก, ก็เรียกว่าวาจีกรรมทำทางจิตใจก็เรียกว่ามาโนกรรมกรรมทั้งสามนี่แหละการกระทําทั้งสามนี่แหละจะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของพวกเรามากที่สุดมากกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เป็นทั้งทางลบและทางบวกทางลบก็คือจะสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้กับเราทางบวกก็จะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับเราการกระทาที่ทำให้เกิดผลกระทบทางลบคือความทุกข์ความเสื่อมเสีย พระพุทธเจ้าเรียกว่าบาปการกระทาบาปจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียให้กับผู้กระทาส่วนการกระทาที่มีผลกระทบในทางบวกคือความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกว่าบุญทำบุญแล้วก็จะทำให้ผู้กระทา มีความสุขได้ความเจริญทางชีวิ ต, ตจิตใจในชีวิตของพวกเรานี้เราจะมีการกระทำสามรูปแบบด้วยกันสลับกันไปทำบุญบ้างทำบาบ้างและทำที่ไม่ได้เป็นบุญหรือไม่ได้เป็นบาปการทำบุญนี้ ทำอย่างไรถึงเรียกว่าทําบุญการทําบุญก็คือการทําให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขก็เรียกว่าเป็นการทําบุญการกระทําบาปก็คือการกระทําที่จะทําให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ได้รับความเสียหาย ส่วนการกระทำที่ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปนี้ก็คือการกระทำที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้อื่นเช่นเวลาที่เราทำอะไรเกี่ยวกับตัวเราเองเช่นอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวไปโรงเรียนไปทำงาน การกระทาเหล่านี้ไม่มีผลดีหรือผลเสียต่อผู้อื่นอันนี้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อจิตใจคือจะไม่เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ใจตามมานี่คือเรื่องของกรรมคือการกระทาที่พวกเรากระทากันอยู่ตั้งแต่ตื่นจนหลับ โดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันบ้างแล้วก็พอเกิดผลต่างๆขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากการกระทำของเราเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องของกรรมนี่เองถ้าเราได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของผลของบุญผลของบาปแล้วเราก็จะได้มีความระมัดระวังต่อการกระทาของเราเพราะเราไม่อยากที่จะรับผลบาป ก, กันเราอยากจะรับผลบุญกัน เราก็ต้องคอยดูการกระทาของเราให้ไปในทางบุญไม่ให้ไปในทางบาปการที่เราจะทำบุญหรือทำบาปนี้มันเริ่มต้นที่การกระทาทางใจก่อนใจของเราต้องคิดก่อนคิดว่าจะทำอะไรถ้าเรา ไม่ดูใจเราไม่ดูความคิดเราเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากําลังจะไปทำอะไรกําลังจะไปทำบุญหรือกําลังจะไปทำบาปหรือทำสิ่งที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับใจของเรา ให้ทําในทางที่ดีได้เพียงอย่างเดียวถ้าเราไม่คอยเฝ้าดูการกระทําของใจคือไม่คอยเฝ้าดูความคิดของใจว่ากําลังคิดไปในทางไหนคิดไปในทางทําบุญเราก็ปล่อยให้ทําไปถ้าคิดไปในทางทําบาปเราก็ต้องยับยัง้งต้องหยุด ให้ได้ก่อนที่เราจะยับยังหรือปล่อยให้ทำไปในทางใดทางหนึ่งเราก็ต้องรู้ผลของการกระทำที่เราจะกระทำก่อนว่ามีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของพวกเราอย่างไรเช่นการกระทาบุญมีผลกระทบต่อ ชีวิตจิตใจของเราอย่างไรบ้างการทำบุญนี้ก็คือทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเช่นอย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้นำเอาข้าวของเครื่องใช้ไม่สอยเงินทองต่างๆมาถวายวัดมาถวายพระเพื่อที่จะได้ให้พระอยู่กันอย่างสุขอย่างสบาย เพื่อจะได้ทำหน้าที่ของพระได้สมบูรณ์อันนี้เป็นการทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นผลของการกระทำบุญนี้มีหลายหลายขั้นหลายตอนด้วยกันขั้นแรกที่เราจะได้รับจากการทำบุญก็คือใจของเราจะมีความสุข จะมีความอิ่มใจสบายใจอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งของการทำบุญทำความดีของพวกเราผลที่เราจะได้รับคือจิตใจของเราจะมีความสุ ข, สขใจสบายใจผลขั้นที่สองคือเราอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ได้คือการที่เรา ได้รับความได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนจากผู้อื่นจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยหรือจากผู้อื่นที่ไม่ได้เราที่เราไม่ได้ทําบุญด้วยแต่เขาเห็นว่าเราทําดีทําบุญเขาก็อาจจะชมเชยเรา อ, อนุโมทนาไปกับการ ทำบุญของเราหรือถ้าเขามีอะไรที่พอจะช่วยเหลือเราได้เขาก็อาจจะอยากจะช่วยเหลือเราถ้าเราต้องการอะไรหรือเราขาดแคลนอะไรถ้าเขารู้เขาก็อาจจะช่วยเราหรือมอบรางวัลให้กับเราผลนี้ไม่แน่นอนผลขั้นที่สองที่จะเกิดจากผู้ ที่ผู้อื่นจะให้กับเรานี้ไม่แน่นอนดังนั้นผู้ที่ทำบุญนี้จะไม่กังวลถึงผลอันนี้เรากังวลถึงผลอันแรกคือทำให้ใจเรามีความสุขมีความสบายใจส่วนผู้อื่นเขาจะชื่นชมยินดีไปกับการทำบุญทำความดีของเราหรือไม่นั้นเราไปบังคับเขาไม่ได้ เขาจะสนับสนุนเราช่วยเหลือเราเวลาที่เราเดือดร้อนหรือไม่อันนี้เราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้บอกเขาได้แล้วแต่ศรัทธาของเขาอย่างนั้นการทำบุญทำความดีเราอย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้อื่นเพราะมันจะทำให้เราอาจจะผิดหวังได้ แล้วอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้ว่าเราทําบุญแล้วเราไม่ได้ความสุขไม่ได้ความเจริญเพราะเราไม่ได้มองดูผลที่เกิดขึ้นแล้วในใจของเราเวลาเราทําบุญเราได้ความสุขแล้วเราได้ความเจริญแล้วใจเรามีความสุขใจเราสูงขึ้นแล้วการทําบุญนี้จะ พัฒนาใจของเราให้สูงจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเทวดาต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นกันไม่รู้กันเ<ม>พราะเราไปมองในสิ่งที่เราเห็นกันก็คือผลลัพธ์ที่เราจะได้จากผู้อื่นเช่นบางทีเราทำความดีในหน้าที่การงานต่างๆแต่เราไม่ได้รับผลตอบแทน คือเราไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือรับรางวัลพิเศษอะไรต่างๆอันนี้เป็นผลที่ไม่แน่นอนอาจจะได้รับก็ได้อาจจะไม่ได้รับก็ได้เพราะผู้ที่ให้นี้เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือรู้ก็ได้หรือเขาชอบ หรือไม่ชอบการกระทำความดีของเราก็ได้อันนี้เราอย่าไปหวังผลอันนี้เพราะว่ามันไม่แน่นอนและไม่สำคัญผลที่สำคัญก็คือผลที่เกิดขึ้นในใจเราใจเรามีความสุขใจเราได้จเจริญขึ้นจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นเทวดา อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับอย่างแน่นอนทุกครั้งที่เราทำบุญแล้วผลที่เกิดจากการทาบุญก็จะส่งผลต่อเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเวลาร่างกายตายไปใจของเราผู้เป็นผู้กระทำบุญนี้ผู้สั่งให้ร่างกายทำนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจของเราก็จะได้ไปรับผลบุญที่เกิดจากการกระทำบุญของเราถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราทำแต่บุญเวลาร่างกายตายไปเราจะได้ไปเป็นเทวดากันไปอยู่สวรรค์กันอยู่แบบเศรษฐีเทวดาก็คือพวกเศรษฐีบุญนี่เองบุญนี้คือเงินทองที่เราใช้ในโลกทิพย โลกของจิตใจเวลาที่ร่างกายไม่มีจิตเวลาจิตใจไม่มีร่างกายร่างกายตายไปจิตใจอาศัยร่างกายหาความสุขไม่ได้แต่จิตใจถ้ามีบุญจิตใจก็ยังสามารถมีความสุขต่อไปได้เพราะมีบุญเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับใจผู้ที่มีบุญ ให้ความสุขกับใจเวลาที่ตายไปก็จะเป็นเทวดาชั้นต่างๆนี่เป็นผลบุญที่จะเกิดขึ้นต่อต่อจิตใจของพวกเราหลังจากที่เราไม่สามารถมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเหมือนกับตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องอาศัยบุญที่เราได้ทำไว้นี่แหละ เป็นผู้ให้ความสุขกับเราแล้วหลังจากที่เราได้รับผลบุญจนผลบุญนั้นหมดไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกแล้วเรายังมีผลของบุญที่เราได้ทําไว้นี้รอเราอยู่อีกคือข้าวของเงินทองต่างๆที่เราได้ทําไปนี้เป็นเหมือนกับ ของที่เราหรือเงินที่เราเอาไปฝากไว้ในธนาคารไม่สูญหายไปไหนหลังจากที่เรามาเกิดเราก็จะได้มารับของที่เราได้ฝากไว้ในธนาคารบุญทรัพย์สมบัติเข้าเงินทองเข้าของเงินทองที่เราได้บริจาคไปกับการทำบุญนั้นจะรอเราอยู่เวลาเรากลับมาเราจะ มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่เราจะมาเกิดในครอบครัวที่มีเงินมีทองอันนี้เป็นผลบุญอี ก, อกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งที่จะเกิดตามมานี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้ว่าทำบุญแล้วเราได้อะไรเพราะถ้าเรารู้ว่าเราได้สิ่งเหล่านี้ มันจะทำให้เรามีความกำลังใจที่อยากจะทำบุญมันจะทำให้เราคอยดูการกระทำของเราทางใจเป็นอันดับแรกเพราะก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำบุญได้เราต้องคิดทำก่อนเช่นวันนี้ญาติโยมก็คิดไว้ก่อนคิดอาจจะคิดตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือคิดตั้งแต่หลายวันก่อน ว่าวันนี้เป็นวันหยุดมีเวลาว่างไปวัดไปทำบุญดีกว่าอันนี้ถ้าเราคิดแล้วเราก็คอยรักษาความคิดนั้นไว้เพราะเป็นความคิดที่ดีคิดที่จะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญทางจิตใจเราก็คอยรักษาความคิดนั้นไว้จนถึงเวลาที่จะมาทำบุญ เราก็จะได้สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาทำบุญได้ถ้าเราคิดแล้วเราไม่รักษาความคิดนั้นคิดแล้วเดี๋ยวก็ลืมพอถึงเวลาที่จะมาก็อาจจะไม่ได้มาก็ได้ถ้ามีใครมาชวนให้ไปทำอะไรอย่างอื่นเราก็อาจจะไปได้แต่ถ้าเรามีความคิดมีความตั้งใจ ที่แนวหน้เพราะเราเห็นคุณค่าของการทำบุญว่ามีประโยชน์สุขกว่าชีวิตจิตมีประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใ จ, จของพวกเรายิ่งกว่าการกระทำอะไรต่างๆในโลกนี้เราก็จะพยายามที่จะสั่งให้เรามาทำบุญกัน ถึงแม้จะมีคนนั้นคนนี้มาชวนให้เราไปทำอะไรอย่างอื่นถ้าเรารู้ว่าไม่มีการกระทำอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับการทำบุญเราก็จะปฏิเสธเขาไปนอกจากเขาชวนเราไปทำบุญด้วยเราก็อาจจะไปกับเขาก็ได้แต่ถ้าเขาชวนให้เราไปเที่ยวหรือไปหาความสุขทางใดทางหนึ่ง เราจะปฏิเสธทันทีเพราะว่าการไปเที่ยวนี้ถึงแม้จะมีความสุขแต่มันมีความสุขที่มีผลเสียหายตามมาด้วยและมันไม่ได้เป็นประโยชน์หลังจากที่เราตายไปแล้วหรือหลังจากที่เรากลับมาเกิดใหม่อันนี้คือเรื่องของการควบคุมคอยเฝ้าดูความคิดของเรา ดูว่าเรากำลังคิดไปในทางไหนถ้าเราคิดไปในทางการทำบุญเราควรจะส่งเสริมควรจะสนับสนุนทำให้มีการเกิดขึ้นมาให้ได้คิดอยากจะทำบุญก็ไปทำเลยถ้าทำได้อันนี้เราถึงจะได้ทำบุญกันและในทางตรงกันข้ามถ้าเราจะคิดไปทำบาป เราก็ต้องหยุดความคิดนั้นให้ได้ถ้าเรารู้ผลของการทำบาว่ามีอะไรบ้างผลของการทำบาวก็เหมือนกับผลของการทำบุญต่างกันตรงที่แทนที่จะเป็นสุขเป็นความเจริญมันกลับจะเป็นความทุกข์เป็นความเสื่อมเสียเวลาเราทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดโกหกหลอกลวงหรือดื่มสุรายาเมาจะเกิดผลเสียต่อจิตใจของเราเหมือนกับผลผลดีที่เกิดจากการทำบุญขั้นแรกก็คือจะเกิดที่จิตใจของเราเวลาเราทำบาปแล้วจิตใจของเราจะร้อนจะไม่สบายใจ เวลาไปฆ่าผู้อื่นไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกโหกหลอกลวงไปดื่มสุรายาเมาละใจของเราจะมีความไม่สบายใจตามมาในเบื้องต้นอาจจะมีความสุขตอนที่เราก็ทำใหม่ๆเช่นได้ขโมยเงินทองของผู้อื่นมาก็มีความสุขมีความดีใจแต่เดี๋ยวก็จะเกิดความไม่สบายใจตามมา ก็จะมีความวิตกกังวลกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษนั่นเองอันนี้เป็นผลขั้นที่หนึ่งที่เกิดขึ้นคือใจของเราจะมีความไม่สบายใจขั้นที่สองคือผลที่เกิดจากผู้อื่นอันนี้ไม่แน่นอนเราไปขโมยเงนินเราอาจจะไม่ถูกเขาจับไปลงโทษก็ได้หรือถูกเขาปัญหามว่าเราเป็นคน เป็นคนขโมยเพราะเขาอาจจะไม่รู้กันถ้าเราทำบาปแล้วไม่มีคนรู้ก็จะไม่มีใครมาประนามเราหรือมาจับเราไปลงโทษเพราะนั้นนี้ไม่แน่นอนที่เราต้องเข้าใจไม่ฉะนั้นเราจะเข้าใจผิดกันเพราะคนสมัยนี้มกักจะเข้าใจผิดว่าทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้เพราะเขามองผลขั้นที่สองนี้ผลที่จะได้รับจากผู้อื่นเห็นคนเขาโกงกันเห็นคนเขาทำผิดกฎหมายกันแต่เขากลับร่ำรวยกันเขากลับไม่ต้องไปติดคุกติดตารางกันเราก็เลยทำให้เราคิดว่าทำบาปแล้วนี้ไม่มีผลเสียตามมาแต่บางทีเราก็ไม่เห็น คนที่ทำบาปแล้วทำผิดกฎหมายแล้วถูกไปจับเข้าคุกเข้าตารางก็มีเยอะแยะไปเหมือนกันอันนี้เป็นผลที่ไม่แน่นอนแล้วแต่ว่าจะถูกจับหรือไม่จะรู้หรือไม่ว่าเราได้ทำบาปถ้าไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครจะมาจับเราไปลงโทษนะหรือถ้ารู้ถ้าเราฉลาดเราหลบได้หลีกได้ซ่อนตัวได้ เราก็อาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษได้แต่ผลอย่างอื่นนี้มันมีที่เราเห็นกันคือขั้นแรกก็คือความไม่สบายใจของเราอันนี้เกิดขึ้นแล้วความกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สบายใจขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นแน่นอน จะใครจะมีใครรู้หรือไม่ก็ไม่รู้ก็ตามดังนั้นเราอย่าไปมองผลอันที่สองผลที่จะเกิดจากการกระทำของผู้อื่นอันนี้อาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้นะทำชั่วแล้วได้ดีถมไปเพราะบางทีเขาไม่เห็นความชั่วของเราเขาเห็นความดีของเราเพราะนอกจากทำชั่วแล้วเราก็มีการทำดีด้วย เช่นเราเอาอกเอาใจเจ้านายรับใช้เจ้านายเจ้านายเห็นการกระทําความดีของเราเขาก็จะให้รางวีรางวัลเราได้แต่การไปทําบาปของเราเขาอาจจะมองไม่เห็นเขาก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีก็ได้เพราะส่วนที่เขาเห็นนั้นเป็นส่วนที่ดีเราก็เลยได้รับรางวีรางวัลเราก็อาจจะเกิดความประมาทจะล่าใจขึ้นมาว่า ทํทำบาปแล้วเรากลับได้ดิบได้ดีอันนี้เป็นความเข้าใจผิดขอให้เราเข้าใจเสมอว่านอกจากผลที่เราจะได้รับจากผู้อื่นแล้วมันมีผลที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่ไม่มีใครที่จะมาห้ามมันได้คือทำบาปแล้วใจจะทุกข์แล้วใจจะเสื่อมคำว่าเสื่อมนี้หมายถึงอย่างไรก็เสื่อมจากความเป็นมนุษย์นั่นเอง สิ่งที่ต่ำกว่ามนุษย์ก็มีอยู่สัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ต่ำกว่าระดับของมนุษย์ก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกนี่อันนี้แหละคือความเสื่อมของจิตใจที่จะตามมาถ้าเราทําบาปเวลาเราทําบาปใจของเราก็จะเริ่มเสื่อม เหมือนกับตอนที่เราทำความดีใจของเราก็จะเจริญทำดีก็ใจก็จะเจริญขึ้นไปเป็นเทวดาพอทำบาปใจก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกเลยนอยู่กับเหตุของการกระทำบาว่าเราทำด้วยเหตุผลอันใดถ้าเราทำบาปด้วยความหลง ด้วยความไม่รู้ว่ามีผลตามมามีผลเสียหายตามมาเราก็จะเป็นเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่รู้ว่าการกระทำบาปของเขานี่มีผลทำให้เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานกันแต่เขาต้องทำเพราะเขาคิดว่าเป็นการอยู่รอดของเขาเป็นการเลี้ยงชีพของเขาเขาก็เลยต้องฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นอาหาร มนุษย์เราถ้าทาอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนี่เองร่างกายถึงแม้จะเป็นมนุษย์แต่ใจนี้ได้เสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานแล้วส่วนผู้ที่ทำบาบด้วยความโลภอยากได้มากมากอยากรวยมากมากไม่สามารถรวยได้ด้วยวิธีไม่ทำบาบก็เลยหันมา โดยด้วยวิธีทำบาปเรื่งนี้จิตใจก็จะเสื่อมลงไปเป็นเปรตผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภนี้ก็จะเป็นเปรตส่วนผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนไปฆ่าเขาก่อนฆ่ามดฆ่าแมลงอะไรต่างๆเพราะกลัวเขาจะมาทำร้ายเรากลัวยุงกัด กลวยุงจะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เลยฆ่ายุงพวกที่ฆ่าพวกที่ทาบาปด้วยความกลัวนี้ก็จะเป็นอสุจลกายดวงวิญญาณนี้จะมีแต่ความหวาดผวาหวาดกลัวอยู่ไม่เป็นสุขหวาดกลัวไปกับเรื่องราวต่างๆไม่มีวันสิ้นสุดส่วนผู้ที่ทาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้น ตรงนี้ก็จะเป็นสับนรกจิตใจจะมีแต่ความรุ่มร้อนร้อนอยู่ร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทวาดนี่คือความเสื่อมของจิตใจที่จะตามมาถ้าทําบาปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งคือทําด้วยความหลงทําด้วยความโลภทําด้วยความกลัวหรือทําด้วยความ โกรธก็จะทำให้ดวงวิญญาณคือจิตใจนี้เสื่อมลงไปเสื่อมไปตั้งแต่ตอนที่ทำเลยไม่ได้รอให้ตายไปถึงไปเป็นตอนที่ตอนที่มีชีวิตอยู่นี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์ก็ตามแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วทำไมเขาถึงต้องจับคนที่ทำบาปไปขังคุปขังตารางเพราะเขาพฤติกรรมของเขานี้ไม่ต่างจาก สัตว์เดรัจฉานนั่นเองถ้าปล่อยให้เขาอยู่นอกกรงนอกคุกนอกตารางก็จะไปทำร้ายผู้อื่นได้เขาจึงต้องสร้างคุกข้างตารางเพื่อที่จะมาจับมนุษย์ที่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ที่ใจนี้ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนั่นเองถึงต้องไปสร้างคุกสร้างตารางเหมือนกับเวลาที่เรามีสัตว์ป่าหนีออกมา เราก็ต้องจับสัตว์ป่าขังไว้ในกรงเราไม่ปล่อยให้มันวิ่งเพ่นพ่านไปตามอธัธยาศัยเพราะมันจะต้องไปกัดกินคนอื่นได้นั่นเองไปทำร้ายผู้อื่นเราจึงต้องจับมันขังไว้ในกรงฉันใดใจของผู้ของมนุษย์ที่ได้กลายเป็นเดรัจฉานแล้วก็มักจะต้องถูกจับไปขังไว้ในกรงนั่นเอง จับไปขังไว้ในคุกในตารางนี่คือผลบาปที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่ตายขณะที่ยังไม่ตายนี้ใจนี้ได้กลายเป็นเดลฉานได้กลายเป็นเปรตได้กลายเป็นอสุรกายได้กลายเป็นอนรกไปแล้วและมีแต่ความทุกข์ทรมานใจอยู่ไม่เป็นสุขอันนี้เกิดขึ้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำบาปกันแล้วแล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจที่เป็นเดรัจฉานก็จะไปได้ร่างกายของเดรัจฉานต่อไปไปเกิดเป็นสัตว์สี่เท้าถ้าใจเป็นเปรตก็จะไปเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหิวโหยถ้าเป็นอสูรกายก็จะเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความกลัวถ้าเป็น ถ้าเป็นนรกก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นมีแต่ไฟของความโกรธเกลียดเผาใจอยู่ตลอดเวลานี่เป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วแล้วหลังจากที่ได้ใช้กรรมในอบายแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาเกิดแบบมนุษย์ที่มีอาภัพวาสนามีเวณมีกรรมตามมาอีกยังมีผู้จองเวณจองกรรมอยู่ผู้ที่เราได้ไปทำร้ายเขาถ้าเขาพบปะเราที่ไหนเขาก็จะทำร้ายเราเพราะว่าเราได้เคยทำร้ายเขาไว้ก่อนเรายังมีเวณมีกรรมตามมาอีก เวลามาเกิดก็จะมาเกิดแบบอาภัพวาสน า, เ, าเกิดแบบยากจนเพราะไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปมีแต่นี่สินมีแต่นี่คือมีแต่กรรมไม่ต้องมาเชิดใช้ในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อีกอนี่คือผลที่จะตามมาจากการที่เร า, เามีการกระทำบุญหรือกระทำบาป การกระทำบุญหรือกระทำบาปนี้ไม่ได้ศูนย์บางท่านอาจจะคิดว่าเวลาร่างกายตายไปแล้วบุญกรรมก็หมดไปเพราะไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลกรรมถ้าเรามองเพียงแต่ร่างกายถ้าเราคิดว่าร่างกายคือตัวเราคือชีวิตจิตใจอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิด เพราะความจริงร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นทีวิตจิตใจของเราเรามีจิตใจอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายกระทำอะไรต่างๆถ้าจะเปรียบเทียบก็ร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนจิตใจก็เหมือนคนขับรถยนต์เวลาที่เราขับรถยนต์ไปชนคนตายนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่จับร่างกายไปติดคุกติดตารางเอาไปลงโทษเขาจะจับคนขับรถไปลงโทษเพราะคนขับรถนี้เป็นคนขับให้รถไปชนคนตายรถถึงแม้ ว, ว่าจะเป็นผู้ชนคนตายแต่รถกลับไม่ได้รับโทษผู้ที่รับโทษก็คือใจผู้ก็คือคนขับฉันใด เวลาเราใช้ร่างกายไปทำบาปเนี่ยเวลาที่เราตายไปร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบาปหรือผลบุญผู้ที่ไปรับผลบาปหรือผลบุญก็คือใจผู้เป็นเหมือนกับคนขับร่างกายผู้ใช้ให้ร่างกายไปทำบุญหรือไปทำบาปใจนี้แหละไม่ได้ตายไปกับร่างกายจึงการทำบุญทำบาปจึงไม่ได้ศูนย์ คนที่คิดว่าทำบุญทำบาปแล้วศู์เพราะเขาไม่รู้ว่าผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปร่างกายเป็นเครื่องเครื่องมือผู้รับใช้ผู้สั่งผู้กระทาบุญทาบาปคือใจดังนั้นการทาบุญทาบาปนี้ไม่ศูญตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ทำแล้วจะต้องได้ผลอย่างนี้ขึ้นมาอย่างที่ได้แสดงไว้ทำบุญแล้วก็จะได้ความสุขความเจริญทางจิตใจทำบาปแล้วก็จะได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมทางจิตใจนอกจากการทำบุญและทำบาปแล้วใจของเรายังมีการกระทำที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งการกระทำอะไรที่เรียกว่าไม่ดี ที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจก็คือการกระทาที่เกิดที่ทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความโกรธนั่นเองเพราะถ้ามีการกระทาด้วยความโลภด้วยความอยากด้วยความโกรธมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้จิตใจนี้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันนี้ ก็เพราะว่าเรายังมีการกระทําตามความอยากอยู่สามประการด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นเมื่อมีความอยากดูอยากฟังลิ้มรส ด, ดมกลิ่นเราก็จะต้องมีร่างกายต้องมีตาหูจมูกเิ้นกาย เราถึงจะสามารถสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะได้นั่นเองอันนี้เราจริงต้องมีร่างกายพอร่างกายอันเก่าของเราตายไปเราก็เลยไปหาร่างกายอันใหม่ก่อนเพื่อที่เราจะได้กลับมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะผ่านตาหูจมูกดิ้นกายอันใหม่ต่อไปนั่นเองไอตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นปัญหาแก่จิตใจ เพราะเป็นตัวที่พาให้เราไปสู่ความทุกข์กันเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันนาไปสู่ความทุกข์เพราะเกิดลาแล้วก็จะต้องทุกข์กับความเลี้ยงดูปากท้องเลี้ยงดูชีวิตแล้วก็ต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการสูญเสียทุกข์กับการพัดพร่าจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆไป เพราะร่างกายนี้เวลาตายนี้เอาอะไรไปไม่ได้พอร่างกายตายไปสิ่งต่างๆที่เราหาได้มานี้เราต้องทิ้งไปหมดสมบัติข้าวของเงินทองมีมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องทิ้งไปมีญาติพี่น้องมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดามีลูกมีหลานอะไรก็ต้องทิ้งไปหมดเอาติดตัวไปไม่ได้เลย เวลานั้นเวลาจากไปจึงเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการที่ใจของเรายังคิดไปในทางความอยากอยู่คิดไปในทางความอยากมีอยากอยากได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดเถรพะคิดไปในทางความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต อยากอยู่ไปอย่างไม่มีวันตายอยากอยู่อย่างสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงความคิดเหล่านี้มันจะพาให้จิตใจเราต้องไปดิ้นต้องไปพยายามทำสิ่งต่างๆที่อยากจะทำแล้วพอทำแล้วไม่ได้ผลตามความอยากก็จะเสียใจแล้วเวลาตายไปก็ยังจะกลับมาทำต่อเพราะความอยากนี้มันจะไม่หายไปจากใจ ถ้าเรายังมีการกระทำความอยากต่างๆเหล่านี้อยู่วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาทุกข์อีกต่อไปนั้นไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรไม่มีไม่มีใครรู้เสียด้วยซ้าไปว่าเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันนี้นับไม่ถ้วนแล้วไม่รู้กี่ครั้งแล้วพวกเรามาเกิดคราวนี้เราก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราเคยมาเกิด เราเคยมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วกี่แสงกี่ล้านครั้งนี้เราไ ม, ม่เราไม่รู้เลยน่าจะไม่มีวันรู้เลยถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะคิดว่าเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราตายไปเราก็จะจบเราก็จะสูญหายไปแต่พระพุทธเจ้านี้ทรงได้ตรัสรู้ความจริงว่า ร่างกายของเหล่านี้มันเป็นชาติเดียวแต่ใจของเหล่านี้มันไม่ได้เป็นชาติเดียวมันเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่ความทุกข์ที่เราได้รับเนี่ยน้ำตาที่เราหลัง่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเอามารวมกันแล้วนี่มันมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรซอีกคิดดูก็แล้วกันว่าเราเจ้าต้องมาร้องไห้กัน กี่รอบต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกี่รอบเพื่อมาร้องไห้ให้มีน้ําตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละเป็นจำนวนพบชาติจำนวนของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ได้ผ่านมาแล้วได้ยังไม่หมดยังไม่สิ้นถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เราก็จะทำอย่างนี้ต่อไปอีกตายจากชาตินี้เราก็จะไปเกิดใหม่ ก่อนจะไปเกิดใหม่ก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขแลือความทุกข์ก่อนที่เราเรียกว่าสวรรค์หรืออบายก่อนแล้วพอใช้บุญใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทําบาปกันใหม่มาทำตามความอยากกันใหม่อยากดูก็ไปดูอยากฟังก็ไปฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็ไปทํากันอย่างที่เราทากันอยู่ทุกวันนี้ เราไม่รู้ว่าเรากําลังก่อภพเก่อชาติกันสร้างภพสร้างชาติกันอย่างไม่มีวันจบสิ้นเพราะเรายัางทําตามความอยากต่างๆของเราอยู่ถ้าเราได้ยินได้ฟังเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้ยินถึงความทุกข์ที่เราต้องทุกข์กันมามากน้อยเพียงไรน้ําตาที่เราได้หลั่งกันมานี้มากน้อยเพียงไรมันก็ จ, จะทําให้เรา มีความหวาดกลัวต่อการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามีความหวาดกลัวแลาไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ถือว่าเราโชคดี mm. เพราะว่าชาตินี้เรามีคนที่รู้จักวิธีที่จะสอนให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูรนี้เราจะไม่มีวันที่จะรู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ผู้ที่รู้วิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้ที่รู้ได้ด้วยตนเองผู้นั้นก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเหล่านี้แล้วด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ทรงรู้ค้นพบวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์แล้วพระองค์ก็ไม่เก็บเอาไว้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราให้แก่สัตว์โลก อย่างพวกเราแล้วก็หลังจากที่ได้ทรงนำมาสั่งสอนก็มีผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปและสามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้กลายเป็นพระอาหารหันตาสาวุกของพระพุทธเจ้าขึ้นมา พระอาจารตถาโลกเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่ก็ช่วยเหลือเอาคำรู้อันนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่สนใจที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดอสอนเขาบอกเขาวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิด พอเขานำเอาไปปฏิบัติเขาก็สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เขาก็มาทำหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าช่วยเหลือเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเผยแผ่มาได้อย่างกว้างขวางและได้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ายังมีผู้ที่ มีความศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความเชื่อขึ้นมาเชื่อว่าได้เวียนว่ายตายเกิดมานักไม่ท้วนชาติแล้วถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของการที่ทำให้มาเวียนว่ายตายเกิดกัน ความอยากทั้งสามคือกามากตัณหาอยากในรูปเสียงกลิ่ น, นรสภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็น <c oughs> ก็จะมาปฏิบัติกันแล้วถ้าปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นอย่างจริงจังก็สามารถบรรลุผลได้ด้วยกันทุกคนแล้วก็เป็นผู้ที่มาทำหน้าที่เผยแผ่ความรู้นี้ ต, ต่อไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกก็ดีก็ต้องมีการสิ้นสุดลงพระพุทธเจ้าก็ต้องตายพระอรหันตสาวกก็ต้องตายแต่ก็มีพระอรหันตสาวกรุ่นใหม่มารับหน้าที่เป็นช่วงๆมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างพวกเรานี้ก็อาจจะคิดอาจจะเป็นพวกพระอรหันตสาวกรุ่นต่อไปก็ได้ ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเราเกิดศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าเรานี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรายังอยู่ในกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่แต่ชาตินี้เรามีโอกาสเพราะเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เราได้ตัดภบตัดชาติให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ อันนี้ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่ออย่างนี้ก็จะทำให้เราสนใจที่จะศึกษาวิธีที่จะทำให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้วิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไปหยุดที่ความอยากทั้งสามนี้เองกําจัดความอยากทั้งสามนี้ด้วยการไม่ทำตามความอยากทั้งสามนี้วิธีที่จะทำให้ไม่ไม่ทำตามความอยากทั้งสามนี้ได้ ก็ต้องมีการบำเพ็ญเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีล ส, สมาธิปัญญานี้จะเป็นเครื่องมือที่จะยับยั้งการกระทําความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจของพวกเราอยู่นี้ให้มันหมดไปได้แต่เราหยุดความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้การเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่ตามมาต่อไป ดังนั้นถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อเชื่อว่าเรานี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แต่ชาตินี้เรามีวาสนามีโชคที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนวิธีให้เราหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยการเจริญศีนสมาธิปัญญาถ้าเราเชื่อขั้นต่อไปเราก็ไปศึกษาดูว่า การที่จะมีศีลนี้ทําอย่างไรการที่จะมีสมาธิทําอย่างไรการที่จะมีปัญญาทําอย่างไรขั้นต้นศีลก็คืออะไรศีลก็เริ่มต้นจากศีลห้าถ้าเรายังไม่มีศีลห้าเราก็หัดรักษาศีลห้าก่อนเหมือนกับเรียนหนังสือขั้นต้นเราก็ต้องเข้าชั้นอนุบาลก่อนก่อนที่จะไปสู่ชั้นประถมชั้นมัธยม นุดมศึกษาตามลำดับเราก็ต้องฝึกศีลจากน้อยไปหามากก่อนถ้าเรายัางรักษาศีลห้าไม่ได้ก็เอาศีลสี่ก่อนก็ได้ศีลสีไม่ได้ก็เอาศีลสามก่อนศีลสามไม่ได้เอาศีลสองก่อนศีลสองไม่ได้ก็เอาศีลหนึ่งก่อนต้องเริ่มที่ข้อใดข้อหนึ่งก่อนถ้าเราไม่เริ่มเราก็จะไม่มีวันที่จะทาได้ เหมือนถ้าเราไม่ไปโรงเรียนไม่เข้าไปชั้นอนุบาลเราก็จะไม่มีวันที่จะก้าวขึ้นสู่ชั้นปถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาได้ดังนั้นศีลนี่เราต้องมาศึกษาดูว่าเราต้องรักษาอะไรบ้างศีลห้าก็คือที่ได้แสดงไว้แล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงเรารักษาได้ห้าข้อหรือยัง ถ้ายันก็พยายามเริ่มรักษาเสียตอนต้นอาจจะรักษาเพียงอาทิตย์ละวันหนึ่งก่อนก็ได้เช่นวันพระอวันพระมารักษาศีลกันให้ครบทั้งห้าข้อส่วนวันอื่นก็อาจจะไม่ครบก็ได้เพราะยังมีภาระผูกพันมีการทํางานคนทํางานบางคนก็บอกว่าถ้าไม่โกหกแล้วขายของไม่ออกเนี่เขาก็ยังต้องโกหกบ้างเพื่อที่จะได้ขายของได้ อันนี้ก็แล้วแต่ถ้ายังคิดว่ายังต้องโกหกอยู่เพราะกลัวอดตายก็โกหกไปก่อนแต่วันพระมาหยุดสักวันหนึ่งก่อนมาลองหัดหยุดการโกหกดูแล้วดูผลว่าการไม่โกหกนี้กับการโกหกอันไหนจะดีกว่ากันเวลาเราไม่โกหกนี้เราจะสบายใจเวลาเราโกหกแล้วเราจะไม่สบายใจกลัวเขาจะจับได้จับว่าเราเป็นคนโกหก พอเราเห็นความแตกต่างระหว่างการโกหกกับการไม่โกหกเราก็อาจจะเห็นโทษของการโกหกต่อไปเราก็อาจจะไม่ไม่โกหกดีกว่าถึงแม้ว่าจะขายของไม่ดีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่อดตายก็ใช้ได้ขายถ้าไม่ลิ่ไม่รวยก็จริงแต่ถ้าเราคิดว่าตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ได้ไม่คุ้มเสีย สิ่งที่เราได้จากการโกหกก็คือเราจะอาจจะต้องไปเกิดเป็นเดลชะนไปเป็นเปรตแต่ถ้าเราไม่โกหกเราก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นเดรลฉานก็ได้อันนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เรากลัวบาปขึ้นมาแล้วจะทําให้เราเริ่มรักษาศีลได้จากศีลสี่ข้อก็เป็น5ข้อได้จากอาทิตย์ละวันก็อาจจะรักษาทุกวันต่อไปได้เราก็ต้องเริ่มทําไปตามกําลังของเรา ทำเท่าที่เราทําได้แล้วเพิ่มขึ้นไปตามลําดับต่อไปเราก็จะรักษาศี่ห้าได้ทุกวันถ้าเราเห็นโทษของการทําบาปว่าตายไปแล้วไม่สูญบาปยังต้องเอาไปใช้ต่อยังต้องไปเกิดในอบายมันก็จะทําให้เราเกิดฮีริโอตปะขึ้นมาความอายความกลัวบาปอายเพราะว่าทําบาปนี้ไม่มีใครเขาชุดเขาไม่มีใครเขา ชื่นชมยินดียกย่องมีแต่ถูกปนามเราจึงมักจะทำบาปด้วยการหลบไม่หลบซ่อนทำโดยที่ไม่ให้คนอื่นเขารู้แต่เราต้องรู้อยู่ในใจเราถ้าเรามีความละอายในใจเราเราก็จะไม่กล้าทำบาปถ้ายิ่งถ้าเราเห็นผลของการทำบาปว่าทำแล้วจะทำให้เราต้องไปเกิดในอบายเราก็อาจจะกลัวจะไม่กล้าทำบาปก็ได้น อันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะรักษาศีลกันรักษาศีลห้าได้แล้วเราก็ต้องขยับเพิ่มขึ้นอีกเพราะก่อนที่เราจะไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้นี้ศีลห้ามีกำลังไม่พอเพราะว่าเรายังสามารถหลบไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นยังไปหลับนอนกับแฟนได้ยังไปกินอาหารตามความอยากความต้องการได้ ยังไปเที่ยวได้ยังไปดูหนังฟังเพลงได้ยังไปแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามได้ยังไปหลับนอนบนฟูกหนาหนาเตียงใหญ่ๆได้แต่ถ้าเรามาถือศีลแปดเราจะไม่สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้เพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราทำกิจกรรมเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาทำสมาธิกันนั่นเองมาฝึกสติมาเจริญสติ เพราะถ้าเราไม่มีสติเราจะทำใจให้สงบเป็นสมาธิไม่ได้คำว่าสมาธิก็คือความนิ่งสงบของใจสติก็คือผู้คอยควบคุมใจให้นิ่งนั่นเองถ้าไม่มีสติก็จะทำใจให้นิ่งไม่ได้สตินี่เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เบรกของรถยนต์นี้ถ้ารถยนต์ไม่มีเบรกนี้เวลาวิ่งไปแล้วจะหยุดไม่ได้ เวลาถึงสี่แยกไฟแดงจะหยุดจะหยุดไม่ได้ถ้าไม่มีเบรกฉันใดใจของเราถ้าต้องการให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิถ้าไม่มีสติก็จะทำให้ใจนิ่งให้เป็นสมาธิไม่ได้ดังนั้นจึงต้องมาสร้างสติกันวิธีสร้างสติก็ต้องกาหนดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาให้ใจคิดอยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียว เช่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเต่นขึ้นมาพอลืมตาก็พุทโธเลยหยุดใจหยุดคิดเลยอย่าปล่อยให้คิดคิดเฉพาะเรื่องที่จะเป็นเช่นว่าตอนนี้ต้องทำอะไรต้องไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาก็พอแล้วพอรู้ท่านี้ก็หยุดคิดได้แล้วและเวลาไปล้างหน้าล้างตาก็อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ถ้าคิดก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดมัน คอยควบคุมความคิดไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็พอไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปหรือถ้าไม่พุโทโธก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ให้เฝ้าดูลมอย่างเดียวถ้าเฝ้าดูลมอยู่ก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ไม่ได้ให้อยู่ดูลมไปเรื่อยๆดู โดยที่ไม่ต้องไปกระทาอะไรกับลมไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกให้รู้เฉยๆให้เฝ้าดูเฉยๆเพื่อที่จะไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองลมจะหยาบจะละเอียดก็ปล่อยมันหยาบละเอียดไปลมจะหายไปก็ปล่อยให้มันหายไปไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ตาย คนที่นั่งดูลมนี้ไม่มีใครตายกันเพียงแต่ลมมันละเอียดจนเราไม่สามารถที่จะเห็นมันได้เท่านั้นเองมันไม่ทำให้เราตายแต่มันจะทำให้ใจเราสงบแล้วจะทำให้ใจเรามีความสุขพอเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิได้แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขได้ก่อนที่เรามานั่งสมาธินี้วิธีหาความสุขของเราคืออะไร ก็คือการทําตามความอยากต่างๆอยากไปเที่ยวพอเราไปเ <S an> ที่ยว<ท> เ, เราก็มีความสุขกันอยากจะไปช้อปปิ้งพอได้ไปช้อปปิ้งก็มีความสุขกันอยากไปดูหนังฟังเพลงพอได้ไ ป, ไปดูหนังฟังเพลงก็มีความสุขกันแต่ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวๆพอกลับมาบ้านมันก็หมดไปมันก็เลยทาให้เกิดความอยากไปเที่ยวใหม่อยากไปช้อปปิ้งใหม่อยากไปดูหนังฟังเพลงใหม่ มันก็เลยทำให้ความความอยากนี่ไม่มีวันหมดถ้าเราไปทำตามความอยากถ้าเราไปหาความสุขแบบนี้เราก็ต้องอยากไปเรื่อยพอตายไปเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกแต่ตอนนี้ถ้าเรานั่งสมาธิได้เรามีความสุขจากการนั่งสมาธิได้เราก็สามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้เวลาอยากจะมีความสุขเมื่อก่อนอยากไปเที่ยวเราก็บอกว่าไม่ต้องไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวนี้เราไปนั่งสมาธิดีกว่า พอไปนั่งสมาธิใจสงบเราก็ได้ความสุขและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวไปชอปปิง้งไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรต่างๆอีกอันนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าเรามีความสุขแบบใหม่ขึ้นมาทดแทนความสุขแบบเก่าถ้าเรายังไม่มีความสุขแบบใหม่คือไม่มีความสุขจากการนั่งสมาธิ เวลาเกิดความอยากไปเที่ยวเราจะทนไม่ไหวต้องไปเที่ยวเพราะถ้าไม่เที่ยวแล้วมันอกจะแตกนั่นเองอยู่บ้านแล้วมันจะเศร้ามันจะเหงามันจะว้าเหวมันจะตายให้ได้มันถึงทนความอยากไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งสมาธิเป็นพอมันอยากจะไปเที่ยวเราก็บอกไปนั่งสมาธินีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ไดจากการไปเที่ยว พราะไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องไปทำมลัยเยอะแยะมากมายกายกองกว่าจะได้ความสุขจากการไปเที่ยวซู่นั่งหลับตาเฉยๆแป๊บเดียวห้านาทีสิบนาทีก็ถึงแล้วก็ถึงความได้ความสุขแล้วนี่แหละความสุขที่เราจะได้รับจากการนั่งสมาธิจะเป็นความสุขที่เราจะสามารถมาทดแทนการหาความสุขตามความอยากต่างๆได้ พอเราไม่ไปทําตามความอยากต่างๆได้เพราะเรา ส, สามารถหาความสุขจากการนั่งสมาธิได้ต่อไปความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดจากใจของเราความอยากเที่ยวก็หายไปอยากไปดูหนังฟังเพลงก็หายไปอยากจะไปช้อปปิ้งก็หายไปอยากจะไปกินไปดื่มอะไรก็จะหายไปหมดเอยู่เฉยๆก็เลยมีความสุขขึ้นมาแล้วก็ไม่มีวันที่จะต้องไปเกิดอีกต่อไป ถ้าร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เพราะไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆแล้วก็เ ร, เรามีวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคือเราใช้สตินี่เองใช้พุทโธพุทโธนี่เป็นผู้หาความสุขให้กับเรานี่แหละคือวิธีที่เราจะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้กาจัดความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ ยุติการหลั่งน้ําตาที่มีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรได้โดยการเจริญศีลสมาธิและปัญญานี่เองนี่แหละเป็นเรื่องของที่พวกเราไม่รู้กันว่ามีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นอย่างมากก็คือหนึ่งบุญที่มีผลกระทบในทางบวกคือทําให้เราสุขให้เราเจริญสองบาป ท, ที่มีผลกระทบต่อ จิตใจของเราในทางลบที่ทำให้จิตใจเราทุกข์ทำให้จิตใจเราเสื่อมแลาสามเกความอยากต่างๆกาม m ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่เป็นตัวที่ทำให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต้องไปหลังน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เราสามารถกาจัดได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาจากพระพุทธศาสนา เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถอสอนให้ใจของเราได้กระทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และและการกระทำที่เป็นโทษกับจิตใจของพวกเราและพอเราทำสำเร็จเราก็จะได้ใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าเหมือนกับใจของพระอาหารหันตสาวกที่ไม่ต้องมีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ที่จะไม่ต้องมาทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอเค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 ระโสยะธาสพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิศานิจังวุตาปัจายิโนจตารโอธรมาวัฏานติอายุวันโอสุขัง พ ล, ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคําถามก็เทินถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่หลังจากนั้นก็ขออนุญาตงดตอบปัญหาถ้าใครไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนใส่กระดาษมาให้เจ้าหน้าที่พิธีกรอ่านคําถามให้ก็ได้ วันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมดสามร้อยเก้าสิบสองคนททั้งหมดหนึ่งร้อยสิบคนวิทยุออนไลน์สามสิบเอ็ดคนผู้ที่มาับฟังบนเขาหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยแปดคนครับผมอ่าวันนี้ยอดสูงหน่อยนะมีคำถามจากไลน์นะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ สืบเนื่องจากเท็จเรื่องปัญญาสามขั้นในวันที่7เมษายนที่ผ่านมาในระหว่างอัปปนาสมาธิกับอุปจาราสมาธิมีลักษณะต่างกันอย่างไรคะและเราต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เข้าไปในอุปจาราสมาธิค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะคือจิตต้องรวมเป็นอัปปนาสมาธิก่อนเพียงแต่ว่าไม่รวมแล้วไม่อยู่เฉยๆเป็นพวกซุกซนชอบสอดรู้สอดเห็น ตรงนี้ก็จะส่งจิตออกไปรับรู้เหตุการณ์ทางโลกทิพย์คือไปติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้ถ้าถ้ารู้ว่าออกไปไม่ดีเราก็ใช้สติตดึงกลับมาได้ถ้าเรามีอัปปนาสมาธิเราสามารถดึงจิตถ้าจะทะเลทไลไยไปเที่ยวเล่นก็ดึงมันกลับมาให้อยู่เฉยๆให้มันนิ่งๆเฉยๆได้ แต่ต้องจิตต้องรวมก่อนถึงจะไปเป็นอุปจาระสมาธิได้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอุปจาระคือก่อนจะเป็นอุปอัปปนาแต่ไม่ใช่มันหลังจากอัปปนาแล้วหลังจากจิตรวมแล้วถึงจะออกไปมีความสามารถพิเศษได้ไปติดต่อกับกายทิพย์เห็นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เห็นอดีตเห็นอ น, นาคตอะไรมีอภิญญาต่างๆคาถามต่อไปนะคะ กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์อยากเรียนถามว่าคนรอบข้างขี้บ่นอะไรไม่ได้ใจก็บ่นเราทํางานรวมกันก็เลยอึดอัดใจเพราะเราเป็นคนใจเย็นควรทําอย่างไดกับคนแบบนี้คะพระอาจารย์ก็คิดว่าเป็นกบเป็นพวกกบพวกอึอ่าๆก็แล้วกันเวลาฝนตกที่มาล่องลั่นไปเลยไปห้ามมันไม่ได้มันจะล่องก็ปล่อยมันล่องไป คำถามต่อไปนะคะกลาบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ดิฉันอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าดิฉันเป็นลูกที่อยู่กับแม่และตาพี่ชายเวลาดิฉันอยู่บ้านดิฉันต้องพบเจอปัญหาแม่กับพี่ชายทะเลาะกันและบางครั้งตาดิฉันสอนแม่แม่ก็ร้องวยวายไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเอาแต่ความคิดตัวเองจึงเป็นปัญหาที่ทาให้ฉันไม่อยากอยู่บ้าน ดิฉันพยายามที่จะวางเฉยกับเรื่องเหล่านี้แต่บางครั้งก็ถึงกับจะฆ่ากันดิฉันเลยเกิดความรู้สึกอึดอัดใจและมันทําให้ดิฉันอยากออกจากบ้านและถึงเวลาดิฉันก็ได้ออกจากบ้านมาดิฉันรักและเคารพตาแม่พี่ชายแต่เวลากลับบ้านก็ต้องไปเจอปัญหาเหล่านี้ทุกครั้งดิฉันพยายามวางเฉยแล้วก็ทุกใจเหมือนเดิมดิฉันต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะ ก็ถ้ายัางวางเฉยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วทําให้เราวุ่นวายใจทุกข์ใจเราก็ต้องปลีกวิเวกไปก่อนปีกตัวไปก่อนนอกจากว่าถ้าเราจําเป็นต้องอยู่ทําหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเขาเราก็ต้องทนแต่ถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่เราก็ปลีกตัวเราออกไปอยู่ห่างๆเขาก็ได้ช่วยแบบห่างๆก็ได้ช่วยแบบส่งเงินส่งทองไปให้เขาใช้นะ ถ้าเราอยู่แล้วทําให้จิตใจเราตกต่ําวุ่นวายใจเพราะเรายังไม่สามารถควบคุมใจของเราได้เราก็ต้องปลีกตัวเราออกไปก่อนไปสร้างกําลังให้จิตใจมีอุเบกขาก่อนแล้วค่อยกลับไปอยู่กับเขาคำถามต่อไปกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการที่เราเป็นคนชอบให้ชอบทําบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือมีเมตตากับสัตว์จรจัดต่างๆจะมีผล ส่งบุญให้เราในชาตินี้หรือเปล่าคะเช่นถ้าเราเป็นคนชอบให้ชอบทําบุญเมื่อคราวที่เราไม่มีจะมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาให้เราเป็นเพราะผลบุญที่ส่งผลในชาตินี้หรือเปล่าคะก็อย่างที่ได้เทศไว้ว่าผลบุญส่วนนี้ไม่แน่นอนบางทีก็อาจจะมีคนช่วยเหลือเราบางทีก็ไม่มีแล้วแต่ว่าเขารู้ว่าเราได้ทําบุญทําความดีหรือเปล่าถ้าไม่มีใครรู้ก็อาจจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราก็ได้ แต่ผลที่เราได้รับแน่นอนก็เวลาเราทำบุญเราจะมีความสุขใจสบายใจความอิ่มใจส่วนเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากนี่จะมีใครมาช่วยเราหรือไม่อันนี้ไม่แน่นอนหวังไม่ได้ค่ะคำถามต่อไปนะคะอยากทราบว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วตอนแรกก็นึกพุทโธไปสักพักก็เหมือนจะหลับหน้าจะก้มลงพื้น รู้สึกตัวก็ตั้งตัวตรงและก็จะเห็นแสงสว่างเพียงแป๊บเดียวเพราะรู้สึกตัวหลังจากนั้นคิดพุดโทโธใหม่อาการนี้เรียกว่าคานิคาิสาสมาธิใช่ไหมคะคานิกะไม่ใช่แล้อาการหลับหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมานั่งใหม่สับประงกอาการสับประงกะควรจะลุกไปเดินจงกรมให้มีสติอย่างต่อเนื่องให้มีสติกาลังพอที่นั่งแล้วตัวนิ่งไม่สับประงกก่อน คำถามจากเฟซบุ๊กนะคะฝากถามพระอาจารย์จะทำยังไงให้หมดจดจากราคะโทสะโมหะที่เป็นตัวกาอภพชาติจะเข้าถึงรู้เหตุขันห้าอริยสัจ ส, สีมรรคผลได้อย่างไรขอบคุณครับก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่เต็มร้อยวิธีที่จะปฏิบัติศีลสมาธิได้อย่างเต็มร้อยก็คือต้องไปบวชบวชชีบวชบวพระบวชอะไรก็ได้บวชเนน เพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นอกนั้นแล้ววิธีอื่นนี้ยากอาจจะได้แต่ไม่ไม่ใช่เป็นของที่จะได้แบบง่ายๆวิธีบวชนี้ง่ายที่สุดคำถามจากเฟ e บุ๊ k นะคะกับเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิรู้สึกว่านั่งนานไปก็รู้สึกเหมือนเดิมจิตไม่พัฒนาเลย เวลานั่งไปแต่ก็รู้สึกตัวตลอดเวลาแต่นานๆไปไม่รู้สึกถึงจิตรวมเลยเหมือนก่อนอนั่งแล้วรู้สึกปิติแต่ตอนนี้รู้สึกตัวแต่ไม่รู้สึกปิติเลยค่ะเพราะเราไม่มีสติกากับใจนั่นเองเราต้องใช้สติกากับใจควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับคาบริกรรมพุทธโธไปถ้าเราชอบพุทธโธ ถ้าไม่ชอบพุโทโธก็ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปให้เฝ้าดูไว้ไม่อย่าไปนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วหวังให้จิตพัฒนาไม่พัฒนาจิตจะพัฒนาเมื่อถูกวังคับให้เพ่งอยู่กับอาการใดาอาการหนึ่งแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้คำถามจาก Youtube คุณพาคินการทำบาปรวมถึงความรักด้วยหรือเปล่าครับอย่างเช่นพ่อแม่ที่รักลูกมากๆ ทำให้ลูกทุกอย่างพอลูกโตขึ้นแล้วทำอะไรไม่เป็นพ่อแม่ก็ทุกเสียใจในภายหลังอย่างนี้เรียกว่าทำบาปด้วยความรักหรือเปล่าครับอันนี้ทำทำด้วยความโง่ไม่ฉลาดไม่รู้จักวิธีเลี้ยงลูกให้รู้จักพึ่งตนเองให้เขาช่วยตัวเองให้เขาดูแลตัวเขาเองได้เลี้ยงดูเขาเป็นเหมือนคนพิการ เขาก็เลยเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตอันนี้เป็นความโง่ท่านั้นเองไม่ได้เป็นความบาปเลยไม่รู้จากวิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้องคำถามจากคุณประนอมกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะว่าความรู้สึกถึงลมหยาบและลมละเอียดเป็นอย่างไรคะอ่านั่งไปก็รู้เองเวลาลมละเอียดมันก็จะรู้สึกดูยากขึ้นมันเบาลง ลมหยาบมันก็ชัดมันมันแรงก็เรียกว่าลมหยาบเวลาลมเริ่มเบาลงก็เรียกว่าลมเริ่มละเอียดเข้าไปคำถามจากคุณชนะตนชนะการการลัความอยากทั้งสามตัวต้องรับไปพร้อมกันทั้งสามตัวหรือลัเป็นลําดับลําดับจากการตัณหาภาวะตัณหาและวิภัตตัณหา อ, อ๋อระงับตอนที่มันเกิดไงมันตัวไหนโผล่มาก็ระงับมันตัวนั้น อยากจะไปเที่ยวก็ระงับมันอยากจะไปช้อปปิ้งก็ระงับมันอยากรวยก็ระงับมันแล้วแต่ตัวไหนมันโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันมันมาได้ทีเราตัวความอยากพวกนี้มันต้องเข้าคิวเดินกันเข้ามาเราก็กำจัดมันตัวทีเราตัวตัวไหนโผล่มาก็กำจัดมันไปอย่าไปทำตามมันกลับไปนั่งสมาธิแทนอยากไปเที่ยวก็ไปนั่งสมาธิแทนอยากไปช้อปปิ้งก็นั่งสมาธิแทน อยากไปหาเงินก็ไปนั่งสมาธิแทนถ้าเงินพอมีแล้วถือถ้าหาเงินเพื่อเ่่ามรวยก็ไม่ต้องไปถ้าหาเงินด้วยความจําเป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ไม่เป็นความอยากไปได้ค่ะคำถามจากคุณประนอมการทำสมาธิจนทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดต่างๆที่มาจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่สามารถหายหรือบรรเทาอาการเจ็บปวดลงได้เป็นไปได้หรือไม่คะ บางโรค ก, ก็เป็นไปได้โรคที่เกิดจากอาการไม่ปกติของใจพอทำใจให้เป็นปกติโรคนั้นก็จะบรรเทาได้ยังไงครับทางการแพทย์เขาก็มีเห็นเขาก็วิเคราะห์ว่าโรคบางอย่างเกิดจากความเครียดของใจพอทำให้ใจหายเครียดความดันอะไรก็ลดลงได้อันนั้นมันแล้วแต่โรคโรคที่มันมีใจเป็นเหตุทาให้เป็น พอเราไปแก้ที่ใจได้โรคนั้นก็จะเบาลงหรือหายไปได้แต่โรคที่ไม่ได้เกิดจากใจเป็นเหตุนี่ไม่หายเช่นโรคมะเร็งหรือโรคติดเชือ้อติดเชื้อ HIV อย่างนี้มันไม่ได้เกิดจากใจไปทําให้มันเกิดอันนี้ถึงแม้นั่งสมาธิมันก็ไม่หายแต่มันบรรเทาความทรมานใจได้เวลาเรานั่งสมาธิใจเราสงบความเครียดความไม่สบายใจกับโรคของ HIV ก็จะหายไป แต่โลกไม่หายแต่เราก็จะอยู่กับโลกได้ยอมตายได้ถ้าเรามีความสงบเราจะไม่เครียดกับมันคำถามจากคุณสถาพรกาบธรรมสการครับชอบเจริญสติโดยตามดูลมหายใจแต่ว่าจิตยังแสบายอยู่ลองใช้คำบริกรรมมากับมากำกับรู้สึกอึดอัดเลยใช้วิธีนับลมหายใจกำกับด้วยเป็นวิธีมาตรฐาน ใช้ได้โดยทั่วไปหรือไม่ครับก็แล้วแต่ละคนไงแต่ละคนเนี่จะมีวิธีมีอุบายที่แตกต่างกันไปวิธีไหนที่ใช้แล้วทาให้ใจเราเนิ่งหยุดคิดได้ก็ใช้วิธีนั้นไปคําถามจากคุณบีกราบพระอาจารย์ค่ะเวลามีคนตายจากอุบัติเหตุเช่นบนท้องถนนเพราะเหตุใดจึงต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์มาณจุดเกิดเหตุเพื่อทําพิธีสวดเชิญดวงวิญญาณ ของผู้ตายกลับบ้านคะเป็นความเชื่อเฉยๆไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเพราะเวลาคนตายนะใจเขาจะไปหรือไม่ไปมันไม่ได้อยู่ที่ใครจะไปบอกเขาได้ใจบางคนอาจจะมีความผูกพันกับของอยู่ในรถอาจจะมีเพชรอยู่สิบล้านอยู่ยังติดอยู่ในรถอยู่ก็ยังไปไม่ได้ยังห่วงเพชรอ ย, อยู่ต่อให้นิมณีมลพามาสวดมาไล่ก็ไม่ไปนะอันนี้มันอยู่ที่จิตใจของแต่ละคน แต่ถ้าใจไม่มีอะไรผูกพันเวลาตายไปบุญกับบาปก็จะเป็นตัวพาไปทันทีนี่นั้นเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นเองเราทำกันมาเพื่อที่เพื่อให้คนอยู่สบายใจเท่านั้นว่าโ อ, อ้คนตายเขาได้ไปสู่สุคติแล้วเท่านั้นเองแต่ความจริงเป็นยังไงไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครมีอุปจารสมาธิถ้าคนมีอุปจารสมาธินี่จะดูไปดูที่จุดนั้นได้ว่ามีดวงวิญ ญ, ญาณอยู่หรือไม่ เพราะเขาสามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้คำถามจากคุณอุ๊กราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาทํางานงานที่ต้องทําใช้ความคิดมากเวลามานั่งสมาธิรู้สึกจิตสงบยากต้องใช้เวลานานถ้าอยากจะให้จิตสงบเร็วหลังจากทํางานที่ต้องใช้ความคิดต้องปฏิบัติอย่างไรเวลาที่ต้องทํางานใช้ความคิดค่ะ มันก็ไม่มีวิธีไหนะก็ต้องใช้สติฝึกสติให้มันมีกําลังมากขึ้นท่านั้นเองแล้กลับมาก็พยายามพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเวลาทํางานก็พยายามคิดเท่าที่จําเป็นเวลาไม่มีความจําเป็นช่วงกับเดินทางกลับมาจากบ้านก็เริ่มพุโทโธไปก่อนเลยอย่ามาพุโทโธตอนที่เรานั่งเราสามารถพุโทโธได้ขณะเดินทางกลับบ้านก็พุโทโธไปก่อนเพื่อชะลอหรือเบาความคิดหลง พอถึงบ้านพอนั่งสมาธิความคิดนั้นก็อาจจะหายไปได้อย่ามารอทำตอนที่เรามานั่งสมาธิเพราะจะมันมันจะไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ต้องหยุดตั้งแต่ขณะที่เราทำงานพอทำงานเสร็จปับ๊บหยุดคิดถึงมันเลยพุโทโธพุโทโธไปเลยคอยพยายามมีพุโทโธมาคอยขั้นความคิดอยู่เรื่อยๆก็ดีเหมือนกับถนนเคยเห็นหั้มถนนที่เขาไม่ต้องการให้รถวิ่งเร็วๆ เ, เ, เขาทำไง เราเอาไอ้ไอ้ไอตัวนูนขึ้นมาขวางถนนใช่ไหมพอรถวิ่งมาเร็วๆพอเจอตัวนูนปับน๊บมันก็ต้องเบรกจะชะลอลงอันนี้พุโทโธก็เป็นตัวชะลอได้ทํางานไปพอพอมีเวลาพักก็พุโทโธเลยเข้าห้องน้ําก็พุทธโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึเงเรื่องงานเรื่องการไว้ออกมาจากห้องน้ํากลับไปที่โต๊ะก่อนแล้วค่อยคิดใหม่อย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับจะมีตัวชะลอความคิดไว้เป็นช่วงๆ พ อ, พอเลิกทำงานปุ๊บออกเดินออกจากที่ทำงานก็พุทธโทรไปเลยถ้าเราทำอย่างนี้ได้พอถึงบ้านความที่เกี่ยวกับเรื่องงานก็อาจจะหายไปคำถามจาก YouTube จากคุณธนากฤษกราบเรียนพระอาจารย์การลอยอังคารบรรพบุรุษกับการเก็บอัฐิไว้อย่างไรคือควรที่จะทำคะได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่จะชอบแบบไห น, นก็ทำแบบนั้นไป ผู้ตายนี่ไม่เกี่ยวนลวผู้ตายเขาไปแล้วเขาไม่สนใจแล้วว่าจะเก็บหรือไม่เก็บคำถามจากคุณปฐมพรกลับนามัสการพระอาจารย์สุชาติกระผมขอเรียนถามว่าเวลาผมนั่งสมาธิจะเห็นเป็นแสงสีต่างๆเช่นสีน้ำเงินสีเหลืองสีม่วงสีแดงสว่างขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็สว่างขึ้นเลยก็ดับไปผมปฏิบัติผิดทางหรือไม่ครับ ถ้าเราไปสนใจอย่าไปสนใจให้เราอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเราไปอยู่กับแสงสีเสียงที่ปรากฏขึ้นมาเราจะหลงทางเราจะไม่ไปสู่ความสงบแล้วดีไมด่ดีก็อาจจะพาให้เร า, เาไม่ฟุ้งซ่านขึ้นมาได้นั้นการที่เรานั่งแล้วเกิดมีอะไรปรากฏขึ้นมาระหว่างที่เรานั่งอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมหายใจที่เราใช้เป็นอารมณ์ เลือยอยู่กับพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุเบกขาได้คำถามจากคุณทนาพรหนูช้างเผือกกับเรียนถามพระอาจารย์เวลาสวดมนต์จะรู้สึกเหมือนมือสั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะไม่มีสติถ้ามีสตินั้นไม่สั่นหรอกคำถามจากคุณป้อมจัง กราบเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิหนูจับอารมณ์ไม่ได้จะต้องคิดออกข้างนอกตลอดควรแก้ไขอย่างไรดีคะก็ลองสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้ามันคิดก็ให้มันคิดในบทสวดมนต์แทนคิดถึงคนนี้ก็คิดถึงอิติปิโสภะควาอราหังสัมมาสามพุทโธไปแล้วเดี๋ยวพอมันพอมันหยุดคิดแล้วก็มาดูลมต่อได้หรือพุทโธต่อได้คาถามจากอินบ็อกซ์นะคะ คิดหวังจากการแต่งงานถึงสองครั้งกับสามีที่เคยรักเรามากครั้งแรกอยู่มาเก้าปีสามีทําผู้อื่นผู้หญิงอื่นท้องเราเลยต้องยอมอย่าเพราะเด็กต้องมีพ่อสามีก็บอกรักผู้หญิงคนนั้นเรายังไงแต่งงานครั้งที่สองกับสามีที่อายุมากกว่าสิบสองปี เขาดูรักและหึงเรามากแต่สุดท้ายเขาก็นอกใจไปกับผู้หญิงอื่นระหว่างที่อยู่กันมาสี่ปีมีการทำรายร่างกายเราด้วยสุดท้ายเราก็ต้องอย่าเพราะทนเจ็บปวดทั้งกายและใจไม่ไหวแล้วยังไงก็เขามันเจ็บแล้วก็ต้องจำสิแต่ยังไม่จำเดี๋ยวก็เจอประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไปเรื่อย คำถามจากคุณเจสไปนะคะนมัสการค่ะเรียนถามพระอาจารย์การทําบุญตักบาตรตอนเช้ากับการไปถวายสังฆทานที่วัดเราได้บุญเหมือนกันและเท่ากันไหมคะก็แล้วแต่จํานวนเงินจํานวนของที่เราบอยจากไปว่ามากน้อยต่างกันหรือไม่ถ้าเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันคําถามจากคุณปราณีสอบถามพระอาจารย์ค่ะ เวลาเราอยู่ไกลบิดามารดาเราก็ะระลึกนึกถึงอยากที่จะอยู่ทาความดีะระลึกที่จะปิบัติพ่อแม่เราให้อยู่ดีมีสุขมากที่สุดแต่พอเราใกล้บิดามารดาด้วยวัยที่ต่างกันพ่อแม่เราก็บ่นด่าว่าเราตลอดทําให้เราทําให้จิตที่เราอยากจะทาความดีให้บิดามารดาลดน้อยลงและและเลยไม่อยากดูแลไม่ทราบว่าวิธีจะกำจัดความคิดไม่ดีนี้อย่างไรดีคะ ก็เราดูแลด้วยการส่งเงินทองไปแทนก็ได้ถ้าเราคิดว่าอยู่ใกล้กันแล้วมันไม่เป็นมงคลก็ต้องถอยออกไปนอกจากว่าเราทำใจได้ก็ไปถ้าทำใจไม่ได้ก็ถ้าไปแล้วมันไม่เป็นมงคลก็อย่าไปดีกว่าเดี๋ยวอาจจะไปทำบาปไปทะเละวิวาทกันแล้วอาจจะไปพูดจาที่เสียหายได้คำถามจากคุณชนะต้นชนาการยมสังเกตว่า การฝึกสติเราต้องฝึกกำหนดรู้ก่อนในช่วงแรกๆเพราะจะเผลอคิดยาวกว่าจะรู้สึกตัวเมื่อฝึกบ่อยๆแล้วสติจะรู้ตัวเองบ่อยขึ้นจะเผลอบ่อยแค่แต่ไม่นานเหมือนก่อนไม่ทราบว่าถูกต้องไหมคะก็ถูกต้องถ้าทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็ใช้ได้หมดแล้วแหละยังมีอยู่อีกห้านาที ใครฟังแล้วยังไม่เข้าใจอยากจะถามคาถามก็ยังส่งคำถามเข้ามาได้ไม่ต้องอายเพราะว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันทุกคนมีปัญหาคล้ายกันนั้นการถามปัญหานี้ถือว่าเป็นการได้ทำบุญได้ทำธรรมทานได้แบ่งความรู้ให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นที่เขาไม่รู้ปัญหานี้พอเราถามเขาจะได้รู้ปัญหา แล้วต่อไปเวลาเกิดปัญหาเขาก็จะได้แก้ปัญหานั่นได้โดยที่ไม่ต้องมาถามกันที่ให้ถามหน้าใหม่ก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้คนฟังรวมทั้งหมดต้องวันนี้ก็ต้องเจ0ร้อคนคำถามว่าเราคนเดียวนี้สามารถช่วยคนอีกเจดรอคนได้เวลาเขาเกิดมีปัญหาขึ้นมาเขาก็จะได้แก้ปัญหาของเขาได้ถ้าเราถามหลังใหม่ถามคนเดียวเราก็จะได้ประโยชน์เพียงคนเดียว เพราะความอายของเราไม่ต้องอายเราปฏิบัตินี่ปฏิบัติเพื่อลักตัวตนอยู่แล้วเราไม่มีตัวตนตัวตนนี่มันตัวหลอกเราไม่ใช่ตัวจริงอยางั้นทำทำทั้งทีก็ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยออถามมาคาถามจากคุณธนพรเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาใส่บาทตอนเช้าเราสามารถอุทิศบุญให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมคะอ๋อไม่ได้แล้วเพราะ บุญที่อุทิศนี้ให้มันน้อยมากมันเหมาะกับคนที่ล่วงรับไปแล้วที่ก็ไม่สามารถทำบุญเองได้คนที่มีชีวิตอยู่ก็บอกเขาชวนเ็ามาทำบุญดีกว่าเขาจะได้บุญมากกว่าที่เราจะอุทิศให้เขาหมดแล้วแหละ <c oughs> การทำบุญนี้เวลาคนทำเนี่ยได้มากกว่าคนที่รับบุญ <c oughs> เพราะว่าบุญที่เราแบ่งให้คนคนคนตายวันนี้แบ่งไปได้เพียงเซี่ยวเดียวเท่านั้นเอง โดยธรรมชาติของบุญมันเป็นอย่างนี้บุญอุทิตมันเป็นอย่างนี้อุทิศได้เพียงเสี้ยวเดียวแล้วก็อุทิศให้กับคนที่ตายไปคนที่อยู่นี้ให้เขาก็ไม่มีไม่มีผลอะไรมากมายถ้าอยากจะทำบุญกับคนเป็นก็ให้เงินเขาไปเลยอยากจะให้เขามีความสุขก็ให้เงินเขาไปก็ถือว่าเราได้ได้ทำบุญกับเขาเขาก็ได้เงินเขาก็ได้ความสุข เขาก็มันก็เป็นเป็นบุญของเขาไปหรือไม่เช่นนั้นถ้าอยากให้เขาได้บุญที่ติดตัวไปกับเขาได้ก็ให้เขาไปทำบุญกับเราเวลาเราใส่บาตรก็ชวนเขาไปใส่บาตรด้วยเขาก็จะได้บุญเพราะบุญนี้ที่เขาทำจะได้ติดตัวกับเขาไปเขาจะได้ไม่ต้องมาขอ ร, อรับส่วนบุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่รอรับส่วนบุญนี้เป็นพวกที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ทาบุญกัน นเราอย่าทำบุญให้กับคนที่มีชีวิตอยู่เพราะมันไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษกับเขาเพราะตายไปเขาจะไม่มีบุญติดตัวไปช่วนก็มาทำบุญดีกว่าเบื mm ่อแล้วละค่ะคำถามหนึ่งคำถามจากคุณประพาสีกาบรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้ออกเสียงสวดมนต์แต่สวดมนต์ในใจได้ไหมเจ้าคะ ไ, ได้ไม่ไม่มีปัญหาละดีสิการสวด ที่แท้จริงเราต้องการให้ใจสวดและการสวดทางใจมันจะไม่เหนื่อยเหมือนกับสวดทางทางวาจาดังนั้นถ้าเราสวดในใจได้ก็ดีเพราะเป็นการภาวนาเป็นการเจริญสติไปแล้วจะทำให้เราไม่ไปรบกวนชาวบ้านด้วยบางทีบางคนสวดสสดังเลยพระอยู่ด้วยกันกุฏิใกล้กันองค์หนึ่งสวดมนต์อีกองค์หนึ่งจะนั่งสมาธิก็ลำคาญเสียงสวดมนต์ แต่แม้ว่าท่านก็ไปได้เพราะถือว่าการสวดบนเป็นของดีแต่ไม่ถูกกาลเทศะควรจะสวดเบาๆให้อยู่ในใจอย่าไปรบกวนผู้อื่นบางคนเข้าใจผิดเพราะเขาบอกว่าต้องสวดเสียงดังๆเทวดาจะได้ยินเทวดาไม่ได้ยินเสียงที่ออกมาจากทางปากหรอกเทวดาได้ยินเสียงที่ออกมาทางใจเพราะเทวดาเป็นกายทิพย์กายทิพย์นี้จะฟังเสียงในใจของเราไม่ใช่เสียงนอกใจ เสียงนอกใจคือเสียงทางร่างกายนี้เทวดาไม่ได้ยินไม่ต้องออกเสียงดังหมดหรือยังมีคำถามจากคุณภาวินีค่ะพระอาจารย์เจ้าคะนั่งภาวนาอยู่แล้วลมหายใจค่อยๆหายไปตัวเย็นทั้งตัวแบบนี้เรียกว่าอะไรเจ้าคะในขณะนั้นแสงสีทองปรากฏขึ้นมาชั่วขณะเจ้าคะ่ะก็จ็ดนั่มสงบก็ดูลมต่อไปอย่าหยุดอย่าไปดูแสงอย่าไปดูผลที่กาลังเกิดขึ้นเพราะมันจะหยุด มันจะทำให้ไม่เจริญไปกว่านั้นในเวลาจิตเริ่มสงบเริ่มมีความเบาความเย็นความสบายอาจจะมีแสงมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้ดูลมต่อไปแล้วจิตก็จะสงบมากขึ้นแล้วต่อไปก็จะเน่งเต็มที่ได้เป็นสมาธิขึ้นมาเอาแล้นะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุข ความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ